ทำชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายโยคกรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับสนิทแห่งทุก์นี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุก์นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย กิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแกสาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแกพวกเธอนั่นโคลนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย นี่แหละวาจาเรื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลายผู้ที่ได้ศึกษาพุทธวจนะในครั้งนี้แล้วก็จะเห็นว่าพุทธวจนะนั้นเป็นข้อความที่ลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระจริงๆและก็อยากให้พวกเรานั้น ได้อ่านทบทวนได้ฟังทบทวนบ่อยๆในพุทธวจนะก้าวย่างอย่างพุท ธ, ธฟังทบทวนเรื่อยๆศึกษาทบทวนเรื่อยๆก็จะเป็นเหตุให้เราได้ความเข้าใจในอัตในธรรมมากขึ้นมากขึ้นเพราะคําพระตถาคตนั้นยิ่งศึกษายิ่งทบทวน เราก็จะได้ความลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นและถ้าได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นเหตุให้จิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะได้เพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วก็ขอให้ได้ทำหน้าที่อย่างที่3ต่อไปก็คือขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลาย เพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมุลรากสืบทอดกันต่อไปคำของพระาศาสดาของเราจะได้ดำรงคงอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปชั่วกลานาน